มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวักมนาสิการะปัญหาที่เจ็ดถามว่า บุคคลที่ไม่ปฏิสนธิคือไม่เกิดอีกนั้นด้วยโยนิโสมนสิการอะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์มีพระราชาองค์การตรัสถามอัธปัญหาต่อไปว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าโยมนี้ยังสงสัยอยู่ด้วยบุคคลไม่ปฏิสนธิคือไม่เกิดใหม่นั้นไม่เกิดใหม่ด้วยโยนิโสมนสิการดังรือ พระนาคเกษ็ถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคารบุคคลไม่ปฏิสนธิเกิดใหม่นั้นด้วยโยนิโสมนัสิการกับกุศลธรรมอื่นที่บำเพ็ญไว้แต่ก่อนมีบารมีเต็มตามกำหนดให้สเร็จพระนิพพานอีกกับปัญญาพร้อมด้วยสิ่งสามประการนี้จึงมิได้เกิดใหม่ขอถวายพระพร พระเจ้าวิลินมีพระราชะองค์การซักถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปรียายานโยนิโสมนาสิการนั้นไม่ใช่ปัญญาหรือประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่าโยนิโสมนาสิการมิใช่ปัญญาและโยนิโสมนาสิการนั้นมีลักษณะสถานหนึ่งปัญญามีลักษณะสถานหนึ่ง และโยนิโสมานสิกานั้นมีในสันดานแห่งสัตว์ทั้งหลายคือวัวควายช้างหมาสัพพสัตทั้งปวงเหล่านี้และสัตว์ดังพนานามานี้จะได้มีปัญญาหาไม่ได้มีแต่ยูนิโสมนานสิการขอถวายพระพรมานสิการะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้